ทรงอนุญาตอเจเกจจีวรนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับอเจเกจจีวรเก็บไว้ได้647สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับอเจเกะจีวรเก็บไว้ได้จึงรับอเจเกจจีวร เก็บไว้จนเกินสมัยจีวรการจีวรเหล่านั้นภิกษุห่อแขวนไว้ที่สายระเดียงท่านพระอนุนเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะเห็นจีวรเหล่านั้นแขวนอยู่ที่สายระเดียงจึง ก, กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าจีวรเหล่านี้ของใครแขวนไว้ที่สายระเดียงภิกษุทั้งหลายตอบว่าอัชจเจก จ, จีวรของพวกเา ภิกษุเหล่านั้นบอกพระอานุ์ตามที่ได้เก็บไว้ท่านพระอานุ์ตําหนิประนามโภนธนาว่าทําไมภิกษุทั้งหลายรับอัจจกาจีวรแล้วเก็บไว้จนเกินสมัยจีวรการเล่าครั้นพระอ า, น, านุ์ตําหนิพวกภิกษุเหล่านั้นเบยประการต่า ง, า ง, างแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ